สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นแม้ทั้งสมบัติที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนั้นการให้ทานจึงเป็นที่ตั้งแห่งโภคะทั้งหลายนะเป็นทั้งพภกคสมบัติเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งโวกสมบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นความต้านทานเนี่ยนะเป็นความต้านทานหมายถึมว่าปัญหาอย่างสาหรับคนที่ทําบุญมาเยอะมีทรัพย์สินมากเขาต้องออกหน้ายามีสงครา ม, มเห็นไหม ไม่คนอื่นออกหน้าให้หมดนะวันนี้หมายว่าถ้าจะตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายนะันเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเพราะทานของที่ให้เนี่ยเป็นเครื่องป้องกัน ร, รักษาช่วยคุ้มครองเขาจนถึงที่สุดนั่นแหละผะะนการให้ทานนี่จึงเป็นที่ต้านทานยามป่วยก็ไม่ก็หายป่วยได้ยามปวดก็หายปวดได้แม้กระทั่งเนี่ยคือเขาเล่าว่ายาในโลกนี้เนี่ยเขาบอกว่ารักษาตามสตัง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 คุณพ่อกำลังทานของเก่าวานะงั้นพ่อตาคือพ่อสามีนะพ่อสามีที่ไม่ใช่เรียกพ่อตาพ่อสามีของท่านนะนะเพราะทานนี่จึงเป็นที่อาศัยเนี่ยนะเป็นที่อยู่เป็นที่เหมือนกับที่อาศัยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจำต้องอาศัยเนี่ยนะถ้าเราไม่มีวัตถุทานเลยเนี่ยเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรใครได้ยากมือนงั้นนะถ้าถ้าคนไม่มีบุญไม่ได้ให้ทานมาดีเพั้นทานเนี่ยจึงเป็นที่ไปเป็นคติเนี่ยคติแปลว่าที่ไป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 มันเครื่องค้าจุนขอของผู้ที่ถึงความวิเศษทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากการให้ทานทานจงนึงเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ทานจึงเป็นที่ต้านทานเป็นที่อาศัยคติการค้าจุนทานเนี่ยนะที่พึ่งในโลกนี้เช่นกับทานเนี่ยไม่มีอีกแล้วจะเอาอะไรนาะมาเป็นที่พึ่งจะช่วยเหลือเราเนี่ยนะอย่างที่เขาบอกว่าถ้าหมดทรัพย์นี่ก็หมดพวกเหมือนกันนะ รั์นี่มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการให้ทานถ้าไม่มีทรัพ์ไม่มีอะไรก็ไม่มีพวกเขาบอกถ้าตกยากเมื่อไหรแม้แต่ลูกก็ยังหนีเามีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเขามีลูกสี่คนสองสามีภรรยาอยู่ด้วยกันตากรยายลูกเนี่ยนี้ไปจากบ้านจากช่องหมดสองตายายก็มารำพึงรำพันว่านี่ตาบอดด้วยในะทั้งคู่นั้นตาบอดอยู่จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพนี่แหละตาบอด าปรึกษาสองตายายของนี่นะถ้าเรามีสตังค์ลูกเราคงไม่ทิ้งเราอย่างนี้หรอกกำลังนันนะไม่รู้ลูกเขาไปดีมีสุขยังไงก็ไม่ทราบแต่วันนี่นะอยากให้ตามันหายอยากให้สุขให้มองเห็นจะได้ไปทำงานเก็บเงินลูกจะได้มาอยู่ด้วยกำลังนันนะเฮ้ถึงแต่ลูกมันก็มันก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันถ้าไม่มีบุญก็อย่างว่ามันเป็นเรื่องของของบุญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นฐานเนี่ยจึงเป็น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 แต่พระเจ้าอยู่หัวนี่ให้วันละเท่าไหร่พระองค์ไม่ให้ทานเยอะมากนะพระองค์วันวนหนึ่งพระองค์ให้ทานเยอะมากอย่างก็บอกว่าเคยนั่งรถไปกับทหารคนหนึ่งบอกว่าเป็นรถบรรทุกเลยบอกผมเพิ่งไปรับของมาจากพระราชวังจะไปแจกเนี่ยในเขตเนี่ยรถบรรทุกเลยนะเพราะว่าแค่งานเดียวของท่านก็เป็นคันรถบรรทุกแลนะ้วนะเฉพาะเฮือกเดียวของท่านอนะบรรทุกสิบดล้อนะไม่ใช่บรรทุกแบบธรรมดา เฉพาะเรื่องเดียวแล้วละอีกไมนรูกี่ร้อยเรื่องนะท่านวันวหนึ่งเนี่ยท่านบริจาคทานนี่กี่กูดังอย่างเงี้ยเธอทนตลอดทั้งปีเนี่ยนะผ้าตรายท่านปีหนึ่งเนี่ยภาพถวายเป็นผ้าตรายเนี่ยเป็นกี่กี่พันตรายอย่างเงี้ยนะอย่างว่าไปนครปฐมบ้นก่อนบอกผ้าพระราชทานผมพระเจดีย์อย่างเงี้ยนะว่ามีแลภาพพิเศษพิเศษนะก็ผ้าในหลวงท่านส่วนใหญ่ท่านพระองค์เนี่ยทำบุญมากองเนะท่านผู้ที่ให้ทานมากเนี่ยถามว่าเดือดร้อนไหม บอกไม่แต่ถ้าคนไม่เคยให้ทานเนี่ยไปขอแบ่งทานที่เขาให้นะไปขอรับทานเขานี่เป็นยังไงเช่นขอทานเป็นต้นเขาจับไปส่งบ้านเลยยจะเสียหน้าเสียตาบ้านเมืองเขาก็ว่ากันนะจับไปส่งไปส่งบ้านเลยแบั้นให้ขีข่เครื่องบินไปเลยได้ไกลๆจะได้มาไม่ถึงนะก็เป็นอย่างนั้นนะนะขอทานก็ขีข่เครื่องบินเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เขาไปขนเอาไปไว้ไกลๆไม่ใช่อะไรหรอกนะนี่ก็เป็นอย่างนี้จริงว่า ที่พึ่งเนี่ยนะถ้าคนไม่ได้เคยให้ทานมาไม่มีที่พึ่งยามหิวก็ไม่ได้กินยามกระหายก็ไม่ได้ดื่มยามจะนอนก็ไม่มีที่นอนเนี่ยนะมันมันคำว่าเกิดมามีแต่คําว่าไม่มีอย่างนั้นเนอะหาอะไรก็ไม่มีถามหาอะไรก็ไม่มีเนี่ยนะเขาบอกว่าโดยที่สุดแม่กร็ต้องเด็กบางคนแบบขึ้นไปบนแม่มีอะไรทานบ้างแทนที่แม่จะบอกทานนี้สิลูกแบบถูกด่าเลยไปเล่นมาทั้งวันแล้วมาถามหาแต่กินว่างนั้นนนะะ ก็บอกว่ามันเดือดร้อนหมดอ่ะนะคนที่ทานให้ทานมาไม่ดีทำบุญมาน้อยเนี่ยลาบากมากมันทานเนี่ยจึงเป็นเช่นสีหนะสนะแปลว่าทานเนี่ยนะการให้เนี่ยสำคัญเท่ากับว่าที่นั่งแบบที่นั่งที่องอาจมากอันที่นั่งที่ดีๆเนี่ยเป็นของคนที่ให้ทานมาดีมันการให้ทานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับแก้วสรพัดเนเป็นที่ทานเนี่ยเป็นที่พึ่งนะทานเนี่ยสาเร็จ ด้วยแก้วเพราะเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งชั้นดีทาเนี่ยเป็นเช่นกับแผ่นดินเพราะเป็นที่ตั้งอาศัยอย่างคนที่มีที่ดินเนี่ยบางคนมีที่ดินเป็นแสนไร่อีกคนตั้งร้อยคนเนี่ยที่ดินผืนเดียววาเดียวก็ไม่มีเนี่ยนะตรอนตรอนหาที่ทำกินเป็นต้นเนี่ยนะบอกก็อย่างที่ว่าไปอินเดียครั้งแรกเลยเดินทางช่วงนั้นตักงปีสี่ปีห้าละก็มีพวกอพยพเนี่ยนะโอยข้างทางเป็นหลายร้อยเมตรเลยแหละ ทั้งหอบทั้งสะพายทั้งทูลหัวทั้งสารพัดอะนะแขกไม่ค่อยแบกแบกทูลหัวหมดเนี่ยนะกลางคืนแล้วก็รถวิ่งก็ฝุ่นตลบอบวนไปหมดมันเดินทางกลางคืนกลางวันเดินทางไม่ไหวมันร้อนช่วงนั้นมีนานีโตไปด้วยแนะดูดูหรือเปล่าเมื่อตอนนั้นบอกว่าก็ถามคุยไปคุยมาก็ได้ข่าวว่าพวกนี้อพยพไปหาเช่าที่ดินพื้นใหม่ๆทําต่อไปไอ้ที่เขาทูลหัวบรรทุกเกวียนนั้นก็คือข้าว ข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ไปโอ้เป็นโลเป็นโลเป็นภายเป็นชิ้นเป็นอันไมา่ได้แต่มเมล็ดพันธุ์ไปหาเช่านาทำรรต่อไปข้างหน้าต่อไปอีกปั้นปีนั้นฝนไม่ค่อยดีรัฐแถวนั้นฝนไม่ค่อยดีแต่ปีนี้ไปเนี่ฝนดีใช้ได้ข้าวสวยแต่ว่าก่อนก่อนหน้านั้นบางปีเนี่ยฝนมันไม่ดีก็ได้แต่มเมล็ดพันธุ์อย่างปีนี้แถวแถวชนบทภาคอีสานบางแห่งนะเขาบอกว่าพนาเขายี่สิไร่ได้ข้าวตั้งสี่กระสอบปุ๋ยเขาว่านะ สีกระสอบปุ๋ ย, ยก็แปลว่าเท่ า, มาเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ลงไปเท่าไหร่ก็ได้เท่ า, มาเมล็ดพันธุ์ตามเดิมค่าไทยค่าหวานค่าดูแลค่ารักษาไม่ต้องคิดกันทั้งนั้นค่าแรงหายห่วงสบายมากฟรีหมดนะนั้นก็เดือดร้อนกันมากนะปีนี้แหละไม่ใช่ปีอื่นก่อนที่ไหนหรอกมันทานนี่เป็นเหมือนกับที่พึ่งใหญ่เช่นกับ แผ่นดินมันถ้าบุญมันให้ผลนะที่ดินก็กลายเป็นดินดีแบบนั้นเป็นทื้นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าบุญไม่ดีก็อย่างว่าเป็นทะเลทรายไปเลยนะแทบจะหมดสภาพเพาะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนั้นทานนี่จึงเป็นเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่อยู่ที่อาศัยการให้ทานเนี่ยเป็นเช่นกับเชือกเพราะว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะสมมติถ้าใครแบบอะไรนะจะต้องไต่ขึ้นที่สูงเนะี่ยแม้ การให้เป็นเหมือนกับเชือกที่คอยดึงคอยเหนียวคอยฉุดเราไว้ให้ไหม่ให้ตกทุกข์ะยากะนะทานนี่เป็นเช่นกับเรือเพราะข้ามออกไปจากทุกข์นั้นมีทุกข์คือความหิวก็หายหิวมีทุกข์คือความหนาวก็หายหนาวผู้มีทุกข์เพราะความร้อนก็หายร้อนมีความทุกข์เพราะกระหายก็หายดับกระหายได้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นผลของทานนันฐานนี้จึงเป็นเรื่องกับเรือที่นาออกจากทุกข์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 เพราะเผากิเลส ท, ทั้งปวงได้การให้ทานเช่นกับอสารพิษให้ยากว่า ง, งั้นเถอะแหมไอจิตที่คิดจะให้เสมอกับใจที่อยากรบว่านั้นแต่ยากพอๆกันนะมันวันๆหนึ่งที่น้อมไปเพื่อจะให้เนี่ยแหมมันยากมากมันทานนั้นจึงเช่นกับอสารพิษเข้าใกล้ได้ยากทานเช่นกับราชสีหรือสีหะเนี่ยนะเพราะไม่สะดุง้งทานเป็นเช่นกับช้างเพราะเป็นสิ่งที่มีกําลังทานเนี่ยเป็นเช่นกับวัวเผือก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 พรมสมบัติแม้แต่พระเจ้าจากักรพรรดิในโลกนี้ผู้มีอำนาจผู้มีความยิ่งใหญ่ยิงๆก็เกิดจากการให้ทานสาวกบารมีคือพระพระพุทธพระสารีบทก็ให้ทานมาพระโมคัลานะพระมหากรสปะพระอานน์พระอนุรุธทธะท่านเหล่านั้นที่ถึงความสูงสุดด้วยบุญบารมีของท่านท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ให้ทานมาพระประเจกข พ, พุทธเจ้าท่านก็ให้ทานมา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 ฐานะประมัตถะประมีแล้วตั้งอาศัยทานะเจตนาที่ให้ขอทานอันนี้จงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้บรรลุสัมโพธิญาณด้วยเถิดอภิสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดไปบางแห่งเนี่ยนะเขาเวลาเขาให้ทานบอกสุธินังวัตะเมทานังอาสวัคยวหังโหตุเขาบอกว่าทานที่ข้าพเจ้าได้ให้ดีแล้วนี้ จงเป็นไปเพื่อให้สิ้นอาสวะสุทินังวัตเมทานังนีนะสับพาทุกขาปรมุนเยทานที่ขพเจ้าได้ให้แล้วนี้ขอจงเป็นปจัจจัยให้ขปเจ้าพ้นจากวัตทุกทั้งปวงเหมือนกันสุธินังวัตเมทานังนิพานปัจโยโหตุขอทานที่ขพเจ้าได้ให้แล้วนี้จงเป็นไปเพื่อพระนิพานนะเป็นปัจจัยให้ทําให้แจ้งแทงตลอด พาณิพานนั้นการให้ทานนะั่นจึงทําเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จมีความสําคัญทําให้ได้ให้ทานอย่างสมัยใหม่เนแะม้แต่ใครจะไปไหว้สังเวชนียสถานถ้าอดีตไม่เคยให้ทานมาดีก็ยากนะที่จะได้ไปมันยากตั้งแต่คิดจะไปแล้วกว่านะแม้คิดว่าจะได้ไปยังยากจากาะกล่าวไปยายถึงได้ไปจริงๆมันก็แล้วแต่ว่าผลบุญเก่ามาเหมือนกันนะ แต่ก็พวกไม่มีบุญก็ไม่แน่นะถึงเกิดแถวนั้นก็ไม่มีศรัทธาอย่นั้นแหละเพราะอะไรเพราะไม่มีบุญเพราะไม่ได้สั่งสมศรัทธามาเป็นต้นนั้นการให้เนี่ยจำเป็นมากนั้นผู้ที่มาฟังธรรมเนี่ยนะจะมาไปเถอะเพื่อนไปฟังธรรมบอกฉันจะไปฟังได้ยังไงฉันต้องทํามาหากินหนักที่สุดแม้กระทั่งว่าถ้าไม่ถ้าไม่ทําเช้าเย็นก็ไม่มีทานถ้าไม่ทําเย็นเช้าอีกก็ไม่มีไม่มีเจริญปฐานเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยแบ่งเวลาทําอะไรไม่ได้ เรกว่ารัดตัวไปหมดเลยอนะมีใจสูงสูงต่ตําๆขึ้นตรงต่อสิ่งอื่นๆมากมายมันก็แล้วว่าถ้าทําบุญมาน้อยเนี่ยมันเดือดร้อนเนี่ยนะมันเดือดร้อนจริงๆอ่ะนะจะให้ทานก็ยากจะรักษาศีลก็ยากจะเจริญภาวนาอยากจะฟังธรรมเกิดจากอะไรก็ยากไปหมดเลยมันคนที่ไม่มีบุญเนี่ยทุกแท้วังนั้นอ่ะนะจริงก็ทุกเพราะไม่ได้ให้ทานมาดีนั่นแหละ